ทั้เพื่อให้เป็นส่วนประกอบตับการปฏิวัติธรรมเวลานี้โอกาสนี้เรามาเข้าสู่ภาคสนามคือกรรมฐานไม่ใช่การเรียนรูก้กรรมฐานคือที่ตั้งของการกระทำมีงานมีการงานในกายในใจยิ่งใหญ่กว่า ง, งานภายนอก มีสติมาตั้งไว้ที่กายจะไปตั้งที่อื่นจะให้สติออกจากกายได้จะให้กายออกจากสติได้เอามาตั้งไว้ผัดให้มันอยู่ด้วยกันถ้ามันมีสติสวมหลงก็จะมาคลองกายคลองใจสวมหลงมาเป็นธรรมต่อกายต่อใจ เมื่อมีสติมาตั้งไว้กายใจก็จะมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นริบรับความเป็นธรรมนากับคองกายของใจเราปล่อยปและเลยตัวของเรามานานพอสมควรให้ความหลงของกปวดของทุกขความรักของชังเข้าออกอยู่เรื่อยต้องมีปัญหา เราต้องยึดด้วยก่อนเพื่อจะมีชีวิตที่ไม่มีภัยเรียกว่าอายะบุคคลการปฏิบัติการประคดเรียกว่ากรรมาฐานกรรมาฐานโดยที่เกิดแห่งวิปัชนาวิปัฒนาคือความรู้แจ้งเรื่องกายเรื่องใจไม่มีปัญหาไม่มีความสงสยัยต่อ สติตั้งมุทกายสติก็ของกายของใจเห็นความเป็นเท็จเป็นจริงอย่างไรตรองกานข้ามกับความหลงพองานเกิดขึ้นก็เห็นมีงานในการทำมมีความรู้เห็นความหลงเกิดขึ้นเปลี่ยนความหลงไปความรู้นั่นคือตัวปฏิบัติ ถ้ามาเปลี่ยนความหลงกป็ความรู้ไม่ใช่ปฏิบัติเลยสิปียี่สิบปีก็อยู่ที่นั่นความหลงก็ยังเข้าออกเข้าออกอยู่เป็นทางแห่งความหลงตายใจต้องเที่ยวอยู่เมื่อมีความหลงก็เป็นสุกเป็นทุกข์เป็นความโลภความโกรธพิทุกขังวลนเศร้าหมองถ้ามีความรู้สึกตัว ก็ปกติเป็นกายที่มีบ้านเป็นใจที่มีบ้านก็ปกติของกายของใจรือว่ามีบ้านอยู่ไม่มีเอ็นจิงมาลบควรนี่เป็นสิทธิหน้าที่ของเราที่เราเกิดมาไม่ใช่เป็นขี้ข้าเป็นทาสอะไรที่ฉลับภาพให้มันหมดมันช่นซะ ความป่าเถือนความโลธความโกรธความหลงความทุกข์ปัญหาต่างๆให้เป็นปัญญาฝึกกรรมฐ า, านกันมีเท่านี้งานอันเดียวกันงานส่วนรวมแต่ว่าทำตัวเองและเป็นส่วนรวมได้ึงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ ทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองดูแลตัวเองให้ดีปฏิบัติธรรมคือดูแลตัวเองอย่าปล่อยปะละเลยอย่างขึ้นว่าฝันกลางวันไวาคิดมีปัญหาก็าต้องให้เกิดปัญญาเมื่อมีกรรมฐานเกิดขึ้นก็เกิดวิปัสสนาญาณอย่างลูกแจ้งให้คำตอบ เห็นทุกอย่างที่มีอยู่ในกายในใจไม่มีตรงไหนปิดบางทางแต่เมืองเสพพันยาอยู่ในกายในใจเรียว่าตาําลอเล่มใหญ่ให้เหมืนจบซะถ้าจบร่างกายแลงใจแล้วจะอยู่กันด้วยความสงบร่มเย็นจะให้มีอะไรต้องมาลูกเรื่องนี้ดูแจ้งในเรื่องนี้ อย่าไปรู้ลองอื่นมากเกินไปใครเป็นนายกท่านมนตรีใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอะไรใครเป็นคนดีคนชั่วเราชอบคนนั่นเราชอบคนนี่ล่มเหลวไม่ใช่เรื่องชีวิตของเราเอาชีวิตไปห้อยไปแขนไว้กับสิ่งอื่นวัตถุอื่นคนอื่นบางทีเราก็พึ่งว่าอาศัยสิ่งอื่นนอกจากพึ่งกายพึ่งใจเรามากเกินไป ตัวทิ้งกายใจมากกันไปบางทีก็เพิ่งลูกเพิ่งหลานเพึ่งสามีภรรยาเพึ่งอะไรทุกอย่างเร็วที่สุดก็พึ่งเล่าเพิ่งบุตรีเพึ่งการเที่ยวเตยเลน่นอยากได้ความสุขเปลี่ยนความทุกข์บางทีก็ความสุขความทุกข์ก็แย่งกันออกหน้าออกตามันไม่จบไม่สิน้น ุทุกข์มันเกิดจากความหลงต่างหากถ้าไม่มีความหลงก็ไม่มีดอกสุขทุกข์มันเป็นปกติมันไม่มีอะไรยั้มันหลอกได้๋ดยวนี่เรา ม, ม, มากเกี่ยวข้องกับอะไรต่างๆนอกจากกายจากใจไปแล้วเกี่ยวข้องกับกายใจถูกต้องแล้วมันก็ถูกไปบทใม้มีปัญหาอะไร ฉันเห็นแจ้งเกิดภาวะที่เห็นขึ้นมาในกายในใจเมื่อเห็นกายเห็นใจก็เห็นคนอื่นรู้จักช่วยกายช่วยใจก็รู้จักช่วยคนอื่นเปราะอันเดียวกันชีวิตของคนเราในการเกิดเจหยับตายเหมือนกันนี่เป็นเรื่องใหญ่เรามีทุกข์ก็มีปัญหาจากน้อยก็ย่อน เฉพาะหน้าเราคือมีความตายความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบอรหน้าแล้วทำจฉไหนการดับที่สุดแต่งกองทุกข์ทั้งเส้นนี้จะปรากฏชัดเจนเราไดาา้ทุกคนต้องมีปัญหาพึ่นกันหมดในลูกก็มีทุกข์ในน้ำก็มีทุกข์ต้องหายใจเข้าหายใจออกต้องร้อนต้องหนาว ต้องหิวต้องกินต้องขับต้องถ่ายเพื่อวันเท่าเกี่ยวกับลูกถ้าหายใจไม่ได้จะทํำยังไงก็มีอะไรกินจะทำยังไงถ้าหนาวถ้าร้อนทํางไงให้มันมีปัญหาหรือมีปัญญาได้ไหมปัญญาพุทธมันเป็นปัญญาตัวนี้ไม่ใช่ปัญญาโลกโลก อันนั่นเป็นปัญญามันกันแต่เป็นปัญญาที่เป็นอาชีพแต่ปัญญาที่เป็นชีวิตจริงๆมันต้องเกิดจากโลกผู้ในของสงขารือกายครือใจให้มันรู้แจ้งซะเรียกว่ากรรมฐานวิปัชนนายานเห็นแจ้ตงตามความเป็นจริงเกิดการเห็นขึ้นมาทุกอย่างที่มันอยู่ในกายในใจเห็นหมด เห็นเล่ามาเข้าไปเป็นกับมันไม่เป็นไปกับอะไรที่เกิดกับกากับใจจะเป็นอะไรอะไรก็ตามต้องเกิดจากกายจากใจเรานี่เราก็ไม่เป็นอะไรกับกายกับใจมันก็ไม่เป็นทุกอย่างในโลกนี้มันมีมากหลือเกินโลกไมีสมมุติไม่บัญญัติมีวัตถุอาการวัตถุก็มีภายนอกภาได้ แต่ดินแผ่นผ้าอากาศป่าไม้ต้นน้ำมีมดมีแมลงมีละไต่างๆมากมายที่มันเกี่ยวข้องกับตัวของเขาเองอะไรก็ป้องกันตัวเขารู้จักป้องกันภัยตอภัยหาอยู่หายกินเป็นเหมือนกันหมดาการหาอยู่หายกินก็ต่างกันไปบางทีก็หงแกรอาชีข่ของใครและกันไอ้ที่ของเขา จงก็หาจินมากราดเราแล้วก็ป้องกันให้ยจงกัดแต่จงก็หาจนได้จินถ้าไม่ได้หามันก็ไม่มีจินมันก็อยู่ไม่ได้อาชีพของวัตถุสัตว์ต่างๆก็ต้องมีอาชีพของเขาเราก็มีอาชีพของเราบาทีคนเราก็หาจินข้าววัวข้าควายว่าพ้นหาชีพ อะไรก็มีมีเบียนคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นด้วยแต่ลักไปพ่นไปข่มขืนไปอะไรต่างๆแล้วก็มีปัญหาถ้ามารู้จักต้องกม้จริงแล้วก็เป็นคนคนเดียวกันชีวิตในโลกเนี่ยจะรู้จักป้องกันเรืยอว่าศีลรักษากายรักษาวาจารักษาใจเป็นศิล ไม่แน่นอนแต่ต้องรักษาโยงก็รักษาให้มันกัดร่ากายก็ต้องรักษามันเตอใช้มันมันก็รักษาเพือ่อแพลเตอรักษาเพื่อขี่ข้ามผ้าไม่ใช่แบบเป็นของเราไอ้ลำนี้มันก็ผุพังไปเรื่อยเติมโทงไปเรื่อยใช้ให้มันคุ้มค่าใช่กายใช่ใจคุ้มค่ามันก็จบ ยอชาติสิ้นแล้วปมมจันยู่จบแล้วจิตตื่นต้องทำไม่มีอีกแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าประกาศออกมาในวันตัจรุเราก็สามารถประกาศได้ไดสักวันหนึ่งยกเปืว่าวตัวเองได้เพราะกรรมาฐานทิคิดชีวิตของเราไปไม่ควรปฏิเสธงานกรรมาฐานเนี่ยเป็นหน้าที่โดยตรง มันหลงมีหน้าที่ไม่หลงมีสิทธิไม่หลงมันโกรธมีสิทธิไม่โกรธใช้สธิไม่โกรธได้มันทุกมีสิทธิไม่ทุกต้องใช้สธิของเราเรื่องวันชีวิตถ้าปล่อยทุกถ้าปล่อยให้โกรธถ้าปล่อยให้กังอะไรต่างๆปัญหาต่างๆเรียว่าสละสิทธิไม่คุ้มค่าปล่อยปไปแล้วเลยเถื่อนถ้าไม่มีะระเบียบ มันก็เถือนที่กายที่ใจก็เถือนไว้อีกหลายอย่างป่าเถือนไว้เลยเป็นปัญหาไปได้เลยปฏิบัติธรรมความตั้งความมันทำให้แก่ตัวเองเมื่อตัวเองมีความมันทำสิ่งอื่นก็มีความเป็นทำวัตถุอื่นคนอื่นก็มีความเป็นธรรมไม่ใช่เราคนเดียวเราอยู่ในโลกมีสัตว์โลก มีท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์มีก้อนเมฆมีฝนตกมีน้ำท่วมมีฝนไม่ตกมีฝนแรงน้ำไม่มีธรรมชาติเลี่ยนไปมากเกิดวิบัติได้เพราะมือของเราชีวิตของเราที่เกี่ยวข้องกับอะไรไม่ถูกต้องและนี้ก็เสียดาย เจดอยธรรมชาติผ่านหนีจากเราไปสองสิบสี่สิบปีที่ผ่านมาอยู่ที่นี่จเจอดอยเหงเก้งก็มาได้ยินเสียงกระลอกกะแตกก็มาค่อยได้ยินเสียงนกวางเพศหายไปแล้วจะสังเกตลึกดูลึมกมันก็ให้คำตอบถ้าฝนจะเหลือก็บอกเราถ้าฝนจะมีธรรมชาติก็สอนเรา ถ้าผ้าหัวป่าหม้อลมหัคอหนองไม้นั้นบอกเราถ้าผ้าผ่าหัวป่าหม้อลมหักคอหนองไม้แสดงว่าฝนจะหมดไปแล้วนกเขียนแม่นออกเรานกเจ้าโคกโกเดี๋ยวนี้ไม่มีว่าฝนก็ไม่บอกฝนจะดีฝนจะตกวันไหนค้อนแม่กวนบอกลมเปลี่ยนทิศทางทางไหนรู้จัก แม่เด็กเลี้ยงควยก็รู้จักฝนจะตกต้องเลีบเย็บหมวกใบตองเอาใบตองมาเย็บเป็นหมวกใส่กันฝนมาบอกกันแป็นฝนจะตกหลมพัดเข้าไปทางนี้ฝนจะตกแล้วก้อนเมฆก็ น, นั่นอยู่ตรงนั่นก่อนเมฆก้อนีตรงนี้บางทีชาวนามองโดดาวมองโดก้อนเมฆมองดูแสงทิศพืชตอนเช้า กูฝนกูด่างกูลมอยู่ตรงไหนมันบอกหรือนี่เพี้ยนไปหมดแล้วนกไก่แวนก็มีนกแสงแซวก็มีอะไรต่างๆมาออกไปแล้วนกกลางคืนมันร้องนกกลางวันมันร้องสัตว์ปางเพศมันร้องกลางคืนสัตว์ปางเพศร้องกลางวันนี่ไม่แต่เสียงไก่ก็ไม่ค่อยจะขันเท่าไหร่นกเขาก็ขันผิด เพนไปแล้วกาก็ล่องผิดเพี้ยนไปแล้วไม่ใช่เสียงกาเหมือนเมื่อก่อนนกเขานกอะไรต่างๆเพี้ยนไปแต่ก่อนเสียงไก่เสียงนกไปร้องนกเสียงใหญ่ไก่ขันเชื้อหมาเห่าแล้วหมาวางตัวมันบอกถ้าหมาตัวใดตัวนั่นเห่าด้วยโจนผู้ล่ายเข้าบ้านเข้าเมือง ถ้าว่าเห่าแบบนี้ในปา่าในตรงด้วยมันพบสัตว์ป่าถ้ามันเห่าแบบนี้สัตว์ป่าอยู่ในรูถก็มัเห่าเสียงนี้สัตว์ป่าอยู่ต้นไม้เตรียมไปได้เลยเตรียมจอบไปขุดก็เจ้าของหมาที่มันมีสัญญาของมันบอกแต่มันเห่าแบบนี้กลงคืนด้วยโจรผู้ร้ายก็ไปบอกกันลงบ้าน อาลัดเตรียมตาวดไปมันก็บอกแต่ที่ไม่มีแล้วมันบอกไปแล้วธรรมชาตินําหมดไปก็อะไรมันเพี้ยนเพี้ยนกพราะอะไรเพี้ยนเพราะฝีมือของคนก็เม่าก็ม่แทรบมันมาก่อนอุตสาหไปฉันขาเม่าตะโกนนกครดยินแล้วท้องเสีอไม่แช่บไม่มีรสชาติมามื่ก่อนอะไรแล้วก็ เีมือของคนเราเนี่ยจะทําไงพวกเราในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยแต่มาสร้างโลกอย่างเามือห้านิ้วสิบนิ้วของเราทําความดีเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนความหลงให้เป็นความรู้ได้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นไม่ทุกข์ได้เดี๋ยวนี้มีไหมความหลงมไม่หมความทุกข์ไม่หมความโกรธถ้ามันมีก็เปลี่ยนไปถ้ามันมีแล้วไม่เปลี่ยน ก็เป็นปัญหาเรื่อยไปไม่จบไม่สิ้นจะปล่อยนั่นไงการกระตือหรือโล่นมากเห็นความหลงเนี่ยโอ้ยกระตือหรือโล่นเห็นความทุกข์โอ้ยขยันตรงไหนขยันตรงที่มันหลงขยันตรงที่มันทุกข์ขยันตรงที่มันโกรธแต่บางชีวิตอ่อนแอไปเลยไม่ขยันเอาหลงที่ใดก็หมดเรี่ยวหมดแรงไปแล้วทุกข์ที่ใดโกรธที่ใดก็หมด เอาขาดแรงแจง้าดหม้อถ้าผัวงเมียโกรธกันก็ไม่มีน้ำจะกินแล้วมันทำอะไรไม่ได้ถ้าเราศึกษาสักหน่อยเยนึ่เนี่ยมันเป็นจุดที่เราต้องแก้ไขให้ได้เดี๋ยวนี่นี่เองมันลงตรงไหนมันมีเหตุมันทุกตรงไหนมันก็มีเหตุไม่ใช่มันเลื่อนลอย เรีวยกว่าอาเียสัตว์เป็นทฤษฎีที่ไม่คำตอบที่ยอดเยี่ยมมากไม่ต้องไปเรียนทฤษฎีที่ใดอยู่ในกายในใจอยู่ในโลกเนี่ยให้เราศึกษาให้มันจบจนมันไม่มีอะไรฉันจบอะไรก็รู้แล้วอะไรก็รู้แล้วในกายในใจเราเนี่ยไม่มีอะไรที่ไม่รู้เรีวยกว่าโลกกับวิถูมองพระุทธเจ้าลูกแจ้งโลก อนตตรโภคดิชากรรมชาติถีสามารถฝึกบุรุษไม่มีใครยิ่งไหญไปกว่าพรธเจ้าเหมือนชลติถีฝึกมากพระเจ้ากับชาติถีฝึกคนมีแล้วพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พเพรบธรรมธรรมคำสอนเป็นไปเพื่อออกจากทุกเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปณิพันธ์ มันจบซะหมดพยศแล้วชีวิตเราถ้าหลงอยู่ก็ดวงมีพยศอยู่ถ้าหลงก็มีพยศบางทีเราก็เพิ่งไม่ได้วิดเราก็เพิ่งเราไม่ได้มีกายก็เพิ่งกายไม่ได้มีใจก็เพิ่งใจไม่ได้เป็นทาตของใจเป็นทาตของกายเราต้องเป็นนายมันจิตเป็นนายกายเป็นเรือ แต่จิเป็นหางเสือปัญญาเป็นไม้พายวัฒนสอนจิตเป็นนายกายเป็นเรือสติเป็นหางเสือรู้จักหางเสือไหมหางเสือของเรือเวลาใช้มันหมุนไปวิ่งไปหางเสือมันปั่นน้ำหมุนพายไปจะดัดไปทางไหนหางเสือให้มันดัดปัญญาเนี่ย วของไปมันเขาผีายแข่งเรือกันเราต้องรู้จักใช้กาใช้ใจเราเดี๋ยวนี้เรามารู้จักใช้กายใช้ใจอะไรยืนมาให้ก็เอาเลยความรักขึ้นมาก็เอาความรั ก, ค ว, รกความเกลียขึ้นมาก็เอาความเกลียความทุกข์ยืนมาเอาความทุกข์ความหลงขึ้นมาให้ก็เอาความหลง อะไรที่มันเกิดกับกายกับใจนึกว่าตนเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่พระเจ้าสอนแต่เริ่มต้นกายสภาวะกายไม่ใช่จัดปุกคนโตตนเราเขาอะไรเกิดกับกายนับไม่พ้นความร้อนความหนาวความหิวความเจ็บความปวดความอะไรต่างๆมาที่จะคอบกลมันโยงกัดมันเจ็บ ขอบคุณความเก็บเพื่อจะได้ป้องกันสัญญาณภัยจะช่วยหรือตายมันดีกายมันบอกเราไม่รู้เอามาเป็นสุขเป็นทุกข์เขาบอกว่ามันเป็นกายเฉยๆแต่ว่ากายเวทนาที่เป็นสุขคนทุกข์ก็สักว่าเวทนาจิตที่มันคิดไปโน่นไปนี่สักว่าจิตมมนใช่ตัวตน บางทีอะไรคกอกับขิดนั้นหรือว่าตัวว่าตนแม้แต่ความโกรธก็ดรื ว, ว่าตัวเรายึดเอาความโกรธว่ามันตัวเป็นตนทมตามความโกรธสำเร็จตามตามความรักสำเร็จผิดพลาดจนยิ่งใหญ่มันไม่ใช่ตัวตนถ้าไปหลงก็ เป็นปัญญาตรงนี้ได้ถ้าหลงก็มีปัญหาเลยไปในปัญหาถ้าลูกเจ้าศึกษาก็เป็นปัญญามันมีอยู่เช่นผมบังปขูขวบมีสติเห็นกายเป็นกรรมฐานแต่ลูกวิปัจนาเห็นโูกเห็นนามเห็นโูกเห็นนามเห็นขณะที่มันคิดไปเห็นโูกเห็นนามขณะที่มันเดิน พ่้อมกันไปเรากำลังลูก่การเดินของเราเรากำลังลู้อยู่ในการเดินที่มันเป็นลูกเดินไปเรากำลังลู้อยู่กับการเคลื่อนไหวที่มันเป็นลูกอยู่พอดีมันคิดขึ้นมาเราก็เห็นต่อหน้าต่อตาในความคิดไปกำลังดูอยู่มันเกิดคิดขึ้นมา กังชิกขึ้นมาก็มันก็ขณะเดียวกันนั่นมันก็เป็นภาวะสองอย่างในความหลงในความโลภสองอย่างให้ดูดีๆตรงนี้จะเห็นรูปเห็นนามอย่าเป็นกบเกื่อนไว้ใส่ใจตรงนี้ชักหน่อยเห็นรูปเห็นนามจะเอกันเลย ะว่าหนึ่งกําลังโดกายโดดฝ่าหนึ่งกําลังจะให้มันหลงกายหลงใจอยูกเห็นรูปเห็นนามกระเดียวกันมาพร้อมกันขณะเตียวกันเหมือนพระเจ้าอาเจ้าศัตรูความลักกับความเปียดมาพร้อมกันสังพ่อพระเจ้าพิมิสารไว้ในคุกตกพระเทวทัต หลอกให้ฆ่าพ่อว่าจะได้คองราชสมบัติก็จะฆ่าก็ฆ่าไม่ได้ก็เอาไปขังคุกไม่กินข้าวไม่กินน้ำเมีสีพระเจ้าเป็ษษษษสานก็ไปเยี่ยมในคุกต้มข้าวน้ำข้าวถาล่างกายเอาไว้ก็ เขาก็ตรวจไม่ให้ดําะไยเข้าไปถ้าจะให้พระเจ้าพิสารตายไม่กินข้าวก็เป็นเมียก็เอาน้ํำข้าวใส่ถั่วเข้าไปไม่มีลายก็ไวเชิงในคุกก็ถอดเสื้อออกก็มีน้ำข้าติดตามผิวหนังพระเจ้าวิสารก็เลีย <laughs> ดูสิอยู่ได้นะเตียผิวหนัง่ะ ก็มีน้ำข้าวก็อยู่ได้ไม่ไตายแล้วให้คนเอาหมาไปดูยังเดินยังกลมอยู่ไปดูที่ใดก็เดินยังกลมอยู่เพราะมันเห็นกันกับคันตะกุฏีของเขาชิตกูดพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่โนนมองไปเห็นเขาชิตกูดเห็นคันตะ ก, กุฏีของพระุทธเจ้าเจ้าพสารก็มีกําลังใจเดินยังกงอยู่ในคุก อมาดไปดูพระเจ้าพิสารยังเดินจงกรมอยู่ยังไม่ตายมาดก็เอามีดไปฉิดฝ่าเท้ามาให้เดินก็เดินไม่ได้ก็เลยตายอมาดมาบอกอมาดจากคุกตะลังมาบอกว่าพระเจ้าพิศารตายไปแล้วทางอมาดทางรัชวังมาบอกว่าโอรถ เกิดขึ้มาแล้วพร้อมกันในโอกาสเดียวกันอันคนหนึ่งมาบอกเรื่องเจ้าเป็นสารตายจัดให้ตายคนหนึ่งมาบอกว่าโ อ, โอรถเกิดขึ้นแล้วเจ้ า, า เ, เป็นชายปาริยันว่าลูกเกิดแล้วคลิดลับ ก, กันนีเลยจังไม่เห็นหน้าโลกเพรเห็นว่าลูกเกิดแล้ว ก็ที่เห็นพระเจ้าพิมสารโอ้ยพ่อของเราจะลักเราเหมือนเราลักลูกดีข่าวเดียวกันเลยในความบิดาให้พระเจ้าพิสารตายก็เกิดความเห็นใจว่าพ่อของรักหลเหมือนเราลักลูกข่าวเดียวกันเลยเสียใจเจ้าเคืนก็เคลิ้นมาได้แล้วว่าเจ้าพิสารตายไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันความหลง ที่มันเกิดวองรู้เที่ยวมันเกิดให้ดูดีๆอย่ามนคิดฟรีๆออกอันิดกมาลู่ตรงเนี้ยมีประโยชน์ให้มันคิดลองไปจะได้รู้มันคิดข้างหนึ่งก็รู้มันข้างหนึ่งคิดสองข้างก็รู้ทันมันสองข้างอย่าเฉยอย่าไปทํามันอื่นอย่าไปพอใจไม่พอใจเวลามันหลงก็ไม่พอใจเวลามันรู้ก็พอใ จ, มอใจไม่ใช่ปฏิบัติธรรม ถอนความพอใจและความไม่พอใจออกหเห็นเฉยๆนี่คือกรรมาฐานสักแต่ว่าบางทีเราก็อยู่ตรงนี้กันนานก็ามาชงบก็ดีถ้า ม, ม า, ามไม่สงบก็พุ่งจนไม่ดีไม่ใช่มันก็มีเท่านี้มีกายมีใจเท่านี้ไม่มากไม่มีความมั่นใจเถอะ มั่นใจมากๆไม่มีอะไรมากไปกลัวกายกลัวใจใมั่นใจอะไรเกิดจากขั้นห้ารอยแปดมันอยู่ที่กายที่ใจเราเน่เจน้วนวานณธรรมมันเกิดจากใจเราเน่จากกายเราเน่ควมามชิดพงช้านก็คือเดื่งใจควมเลยสงสัยคือเดื่งใจ ก็ไม่บาทคือเรื่องใจตามมรรคะปฏิฆะคือเรื่องใจไม่ใช่เรื่องอะไรแต่มันเปลี่ยนรสชาติมันก็คือใจท่านคืออะไรคือมันหลงมันเล็กน้อยอย้ายเป็นเรื่องใหญ่บางคนเป็นเรื่องใหญ่ของง่วงเหงาหอนอนก็เป็นเรื่องใหญ่ไปถึงขวบง่วงแล้วเราเป็นผู้ง่วงแล้วมันก็ใหญ่ไปแล้วเป็นตัวเป็นตนไปแล้ว เห็นมันเห็นมันโดยมันไม่ง่วงก็คือภาวะที่รู้เห็นมันอย่าให้มีกำลังอย่าให้นวดชาติมันเกิดอะไรขึ้นมันเชี่ยวกับกายกับใจเนี่ยไม่เปลี่ยนตรงนี้เลยที่ตั้งมาอยู่ที่นี่ที่กายที่ใจเรานี้นี่ปฏิบัติธรรมถ้าจะพูดเราาสมนำหน้ามันเกิดขึ้นมาที่ใดก็รู้ น้องตาเลยพูดว่านี่วรานรมเหมือ น, มนอแมลงตติเหมือนอินทรีจับปับป๊บจับปั๊บเลยๆแต่หมัก่อนน้องตาเลี้ยงพึ้งพึ้งทำเป็นผงให้มันเป็นตู้ให้มันอยูเสาชนลานแล้วก็มีหลายลังเอาพึ้งมาจากเชียงราย อามาเลี้ยงแล้วก็ ท, ที่มีแสงแซลเยอะแสงแซลลมันจีนแม่พึง่งพึ่งเลี่ยงเนี่ยมันพึ่ ง, งโง่โบินไม่ไหวให้เหมือนพึ่งหลวงพึ่งหลังพึ่งป่าเวลมันออกหลังแลวลาเราเข้าหลังบินเวนง โ, งโง่ๆเข้าทางเดียวือ้นกแสงแซลลมันก็มีเยอะแยะเลย ก็เวลาพึ่งบินขึ้นที่ใดนกเชงแจ้วก็จับกินบินนกไปเพ็ดนี่มันกินแมลงบนลากาศม่ใช่หาแมลงเหมือนยอดไม้เหมือนนกกับเพ็อื่นนกเชงแจ้วตัวดำๆเวลาพึ่งตัวพึ่งบินขึ้นตัวแจ้วก็แสวกินเวลาพึ่งบินเข้าหลังตัวแจ้วก็มาจอบจับเล่จับเปลจับเจล่าจับ ตัวพึ่งเป็นมมืม่นแล้วแสนหมดเลยแจงแจวมันจับกิน น, นั่นก็จิบหายได้พึ่งไม่มีเลยพึ่งเลี้ยงมันพึ่งอ่อนเดดแล้วก็ต้องมีหนังตะติก๊กยิงแจงแจ้วนันก็ออกมาอยู่ไม่มีใครจะมานั่งยิงแจงแจวตลอดเวลาให้คนมาเลี้ยงให้เขาก็ยิงไม่ไหว เราต้องทาําหากินเวลาเลี้ยงคือทำํำมานอกจากมันไปหาน้าหวานจากเจยสนดอกไม้แล้วก็เพิ่มน้ำหบานให้มันหรือว่าน้ําเชื่อมด้วจากน้าเชื่อมไหมเอาน้ําตาลมาทําน้าเชื่อมให้หวานๆเหนียวๆซักหน่อยแล้นคนๆจังหน่อยเทอส่ถาดปลาข้าวไว้ปเวละมันไหนหาน้ำหวานได้าจากเจี๊ยสนก็เอาน้ําเชื่อมที่เราวางไว้ เรามันก็มันก็ย่อยให้ไปติดขามันมันก็กินน้ำผึ้งมันก็ย่อยย่อย่อยเป็นกินผึ้งเอาไปป้อนลูกมันใส่รังไว้ให้โรกมันกินแล้วก็ไปด้านผึ้งปอมๆไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่ปฏิเหมือนอินรียเะจับปั๊บเได้ไหมเพราะมันบินขึ้นมาเหมือน พึ่งจับเลยแต่ไม่ไม่ใช่จับเพึ่งนะจับตัวคิดอะไรก็ตามมาคิดขึ้นมาว่าเทียนบอกว่าส ต, ติเหมือนแมวความคิดเหมือนหนูหลวงพ่ออยากจะเปรียบว่าสติเหมือนอินทรีใช่ความคิดเหมืนหนอนพึ่งบินเหาจับปับ๊บจับปับ๊บจับปับ๊บจับปับ๊บมันก็อยู่ไปได้หรอกถ้ามันบินไปปล่อยมันไปจำแั้วกลับมา มันก็ยังไม่ปลดต่อชีขึ้นมาลู่ทันลู่ทันลู่ทันลู่ทันไม่มีอะไรมากกว่ากรณปฏิบัติธรรมนะเห็นลูเ่เผ็นนามเห็ต้องชาติอาการต่างๆในวัตัวอาการในปรามาถึงย์จับลู่แย่งจนไม่เป็นอะไรกับบลไจบปรมามารย์สองการปฏิบัติจุดหมายปลาทางภาวะไม่เป็นอะไรกับบลาร มันจบมันทุกเรื่หมดแล้วเรืหมดแล้วเรหมดแล้วเรืหมดยแล้วความพยาความโู้ความโกรธหรือรบอทนทำเก็งอนอนกลับมลครับปฏิกมนันที่เป็นอาการเรหมดเลยจบไม่มีอะไรเลย